หรือเข้าทางจงกรมโดยความมีสติจึงจะเรียกว่าทาความเพียรสตินั่นแหลคือธรรมะรับรู้ธรรมะต้านทานธรรมะต่อสู้ธรรมะหลบฉากในวิธีการรบธรรมะคืบหน้ากล้าตายในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตถ้าขาดสติเพียงอย่างเดียวก็เจ๋งท่านอาจารย์มั่นสอนนักปฏิบัติจึงควรบำรุงสติ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 แต่ควรให้มีจนแก่กล้าเป็นขั้นมหาสติได้ยิ่งดีเพราะสติเป็นธรรมะสำคัญในวงความเพียรที่ผู้ปฏิบัติควรสนใจอย่างยิ่งไม่ว่ากิจใดทั้งไหนและนอกทั้งหยาบและละเอียดสติเป็นธรรมะจำเป็นที่ควรแทรกอยู่ด้วยทุกกรณีสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิสติต้องเป็นพี่เลี้ยงให้เป็นไป ถ้าขาดสติเป็นเรื่องขาดมากกว่างานทุกชิ้นที่ขาดไปไม่ได้ทำจะทำงานได้หรือไม่แต่สติไม่ควรให้ขาดไปจากตัวจากใจผู้พยายามบารุงสติไม่ลดละไม่ว่ากิเลสจะหนาแน่นเพียงไรในหัวใจจะต้องเบิกทางให้เดินจนได้คือสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิจะเกิดและมีกำลังได้ด้วยอำนาจสติเป็นเครื่องบารุงหนีไม่พ้น ทางเชื่อมโยงแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงวิมุตติพระนิพพานได้แก่สตินิแลเป็นผู้สนับสนุนใครจะเจริญสมถะหรือวิปัสสนาขั้นใดก็ตามถ้าขาดสติแล้วสมถะและวิปัสสนานั้นไม่มีทางเจริญได้เลยนับแต่เริ่มแรกปฏิบัติมาจนสุดทางเดินผมไม่มองเห็นธรรมะใดที่เด่นและฝังลึกในใจเท่าสตินี้เลย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 จะเคลื่อนไหวโยกย้ายความคิดเห็นไปในทางใดหยาบหรือละเอียดในธรรมะขั้นใดต้องมีสติเป็นตัวการสาคัญในวงความเพียรปัญญาเมื่อถึงค่าวคิดคน้นจงคิดค้นให้เต็มฝีมืออย่าออมแรงกลัวปัญญาจะล้นฟังถ้าสติมีกํากับปัญญาไปทุกระยะที่พิจารณาคิดค้นแล้วปัญญาจะไม่ล้นฟังกลายเป็นความเลวไหลไปได้ ที่ปัญญากลายเป็นน้ำล้นฟัง่งจนหาที่จอดแวะและยุติไม่ได้นั้นเพราะขาดสติกำกับปัญญาจึงกลายเป็นสัญญาไปจนหาจุดความจริงไม่เจอปัญญาที่มีสติเป็นเพื่อนสองต้องก้าวขึ้นสู่หาปัญญาโดยไม่คาดหมายลงใจมีมหาสติมหาปัญญาเป็นเพื่อนสองแล้วอิเลสจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ไม่ทนความแตกทลาย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 สติปัฐานสี่และสัจธรรมสี่นั่นคือสนามรบจงทุ่มเทสติปัญญาศรัทธาความเพียรลงที่นั่นอย่าสงสัยว่ามรรคนิพพานจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกไปจากวงสติปทานสี่และสัจธรรมสี่นี้ธรรมะดังกล่าวเป็นที่ยืนยันรับรองมรรคลมาแต่ดึกดำบัน และยังเป็นธรรมรับรองมรรคผลเต็มภูมิอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องการบกพร่องไม่สามารถถึงที่ประสงค์ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาศรัทธาความเพียรของแต่และรายมิได้ขึ้นอยู่กับธรรมะดังกล่าวที่เป็นธรรมะยืนยันรับรองตายตัวอยู่แล้วท่านจงทำความมั่นใจต่อมรรคผลด้วยการคุยเขียขุดค้นสติปัญญาสี่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 ตลอดครูอาจารย์ที่โลกว่าท่านเข้าสูนิพพานไปแล้วคำว่านิพพานมิได้อยู่ตามจุดที่โลกคาดคะเนนหรือดาวกันแต่อยู่ที่โลกไม่สามารถคาดดาวได้ท่านจะเห็นนิพพานที่นั่นเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นครูอาจารย์และเห็นท่านเองที่ตรงนั้นเราหายสงสัยโดยประการทั้งปวงที่นั่นคือที่ไหนเรา ก็คือสติปัฐานสี่และสัจธรรมทั้งสี่กับใจที่มีมหาสติมหาปัญญาคุ้ยเขี่ยขุดค้นอย่างละเอียดทั่วถึงจนเป็นธรรมะของจริงล้วนขึ้นมาทุกส่วนไม่มีความรู้ความเห็นใดลอมแปลงแฝงอยู่ในสติปัฐานสี่และสัจธรรมทั้งสี่นั่นเลยต่างอันต่างจริงคือสติปฐานสี่ก็จริงสัจธรรมทั้งสี่ก็จริง ใจก็จริงด้วยปัญญานั่นแหละคือวิมุตตินั่นแหละคือนิพพานนั่นแลคือที่สถิตอยู่แห่งองค์ศาดาองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์และครูอาจารย์ที่ท่านบริสุทธิ์จะเป็นที่ไหนกันอีกเล่านั่นแลคือที่ยุติความกังวลนั่นแลที่ปล่อยวางภพชาติทั้งมวลนั่นแลคือที่ปล่อยวางทุกทั้งปวงท่านปล่อยวางกันที่ตรงนั้น ท่านจงพยายามในข้อปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางที่จุดนั้นอยา่าคาดคะเนอย่าเดาให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเพราะธรรมะนั่นไม่ใช่ธรรมะคาดคะเนมิใช่ธรรมะเดาแต่เป็นธรรมะจริงใครจริงในข้อวัดปฏิบัติที่ประธานไว้ผู้นั้นจะเข้าถึงธรรมะจริงปราศจากความดนเดาใดาๆทั้งสิ้นดังนี้